ถึงข่าวนี้ไปไม่นัดเนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านปุษงคุณวุธิและต่างก็ได้มาโดยไม่ได้ไม่ได้นัดแน่ซึ่งกันและกันแต่มารวมกันได้ในวันเดียวกันมีเรียกว่า เป็นอุดมมงคลอันหนึ่งนำหนักเราทุกๆท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัติและเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติดูตามสถานที่ของตนของตนก็ตามแต่ที่จะได้มารวมกันเช่นนี้นั้น รู้สึกจะเป็นโอกาสที่หาในอยากวันนี้จึงมีสัมโมทิยกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันที่ไดมารวมกันในวันนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจขคงทนถาวรยอมมีการแปรสภาพไปอยู่เสมอโดยไม่กำหนดการเวลาและสถานที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านนักปฏิบัติ ด, ด้วยกันซึ่งมารวมกันอยู่ในเวลานี้ก็จะต้องเดินตามทางสายที่กล่าวนี้เหมือนกันหมด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 จากสากยาบุตรอันเดียวกันในนามว่าสากยาบุตรนี้เป็นพระนามที่องค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสากยาบุตรที่พระองค์ท่านได้ให้นามได้ทรงให้นามนั้น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 มุ่งต่อการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมาตลอดนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางการวาะยอมพยายามปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏดูแต่หลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่อง ประดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอรียบททั้งสี่เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกลมคืนกับพระธรรมวินยัยมีเรียกว่าสากยบุบทแม้จะยังไม่สำเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิ ดังที่เราได้ทราบมาในประวัติกอตา่างแต่ก็ชื่อว่าต่างท่านต่างดำเนินตามหลักพระธรรมในอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุเช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทำความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสวพัท ของพระพุทธเจา้าและได้ประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักพระธรรมวินยัยที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วและโรดได้มีความพยายามมีความหนักแน่นต่อหลักพระธรรมวินยัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เพื่อหลักพระธรรมวินยัย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 จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาดตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปอย่าให้มีความฉลาดเป็นแบบที่เรียกว่าแวกแนวพระพุทธเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปเป็นที่ตัง้ง ไม่ได้หมายนอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่มีความเฉียวฉล า, าดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรนี่แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดตลอดอายาบทตั้งแต่ต้นจนถึงอวาสานคือจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่า ความฉลาดในหลักพระศาสนาความฉลาดนอกจากนี้ที่จะเป็นค่าสึบต่อตนเองจะเป็นค่าสึบต่อโลกนั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นความฉลาดอันเป็นที่นิยมทางพระศ า, า, า, าสนาอํานาจวาสนาก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนโดยถูกต้อง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 ไม่ว่าจะตรับไว้ในบทใดแงในสั้นหรือยาวหยากหรือละเอียดเลือกตื่นแค่ไหนร้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานนิกะระมจะทำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเครื่องจิตขวางภายในใจของตนไปได้โดยลำดับนีผู้ปฏิบัติ ต, ต้องมีหลักมีเกณฑ์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 ที่เห็นว่าข้ออัดข้อทำข้อใดบ้างที่เป็นคติได้รับประโยชน์ด้วยโตดยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่ออัตเพื่อทำจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนสแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการสแสวงหารายได้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 ไม่ใช่จะปฏิบัติแบบรุ่มรุ่มดอนดอนไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคุกครานไปเฉยๆแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทำอะไรก็ให้ทำจริงด้วยความจงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอุบายบทใดๆก็ตามขอให้มีความสัตย์เป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกากับกจิตใจ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 ทางที่ถูกควรใช้บังคับตนเองเพื่อให้ดำเนินตามหลักพระธรรมมิไหนนี่อันนี้เป็นทางที่ถูกกดฉีบังคับลงไปเรื่องของใจนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้านทนทานยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัดต่อทำ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 แต่ให้ถือว่าเรานี้แลเวลานี้เป็นเหมือนผ้าขี้เหลียวจะพยายามทําผ้าขี้เหลีวนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วไปนอกจากเป็นที่ยินดีและพอพอใจสำหรับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าขี้เหลยวกลายเป็นทองคํานี้ ยังจะทําประโยชน์ให้โลกได้รับความรลมเย็ยนอีกจํานวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องฉละทิฏฐิมานะอย่างนี้ฉละภายในตัวเองอย่าหาบเคี้ยวหาบฟันไปไหนอยามแบกเคี่ยวแบกฟันไปด้วยเรื่องเคี่ยวเรื่องเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัข ก, ก็ไม่น่าดูแล้วพอหินฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันนี่ ลักษณะของทิฏฐิมาณนะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี้ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันเอยซ้านี่ถ้าเราจะชาใช้คอยใช้บังคับเรากดขีตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชัว่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะ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 เป็นการเตือนให้กิษที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกนั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทำหน้าที่ต่อทุกขสัตว์สมุทยัยยาสตว์ได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมิเกี่ยวกับทางนันทิราคสหคตาตต ต, ะ ต, ะตะระอภินันดินี รวมแล้วทันยศเซยะที่ดังได้แก่กราร ม, มาตัญหาภาวตัญหาวิภวะตัญหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี่แลท่านเรียกว่าจิตเป็นสมูทัยท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมูทัยสมูทัยนี่แลคือชื้อของทุกข์เมื่อมีสมูทัยแล้ว ก็เหมือนกันกับว่ามีปืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ตรงนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมานี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมุทยัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับเป็นค่าสึกตัวต่อตัวของตนต่อตัวของตัววันยังค่าเช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขเรา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 และเคยล้มลุกคุกครานมาเช่นเดียวกับเราเราท่านทานแต่เหตุฉไหนจึงสามารถตรัสรู้สัจธรรมทั้งสี่นี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐได้หรับนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็นเนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัต จ, จัตแต่และอย่างละอย่างโดยไม่มีคาดเคลื่อนนั่นแหล ผลจึงปรากฏเป็นความบวยสุดขึ้นมาจากสัจจะธรรมทั้งสี่นั้นที่เรียกว่าพุทโธ ท, ทั้งดวงสัจจะทั้งสี่นี้ไม่ใช่เป็นความมริสุดแต่เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกจะปีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้เป็นทางแล้ว <c oughs> ไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกเกิดขึ้นไม่ว่าทุกทางกายไม่ว่าทุกทางใจจงถือว่าเป็นหินรับปัญญา ปัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั่นทุกขังอริยสัจจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความพุ่งเฟอ้อเห่เหิมเป็นต้นคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้ฟ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี่แหละ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 ชาปัญญาได้อย่างทราบตามหลักความจริงของทุกขทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกทั้งสองประเภทนี้แม้ <c oughs> ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงมันสลายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ ส่วนทุกทางใจนั้นเมื่อมีความรอบคอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะใจดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกทั้งหลายจะสะลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญานี่คำมานิโรธะนั้นเราพิจารณาเห็นชัด ในสัจธรรมทั้งสองประเภทคือทุกขกสัมมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจะคำว่านิโรธจะแสดงความดับทุกไปเป็นลาดับลาดับนับตั้งแต่ทุกขขั้นยากขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกสัมมุทยัย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 ก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจ์ทั้งสีน่นี้ทุกเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมูทัยเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมัดเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกและสมูทัยทั้งสองประเภทนี้นิโรธเมื่อมักได้ดำเนิน ตามหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นิโรธะก็ทำหน้าที่ไปเป็นลาดับดดบจนถึงมรดได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโรธะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุิ์มีดับไปตามสัจธรรมทั้งสี่นั้นเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน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 นี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้เราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี่เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติทัานหนึ่งที่มีความชาาลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเพลิงคือทุกครั้งอนิจจ์อนัตตก็ตาม แต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทำตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์มีอำนาจวาสนากฎขี่บังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยหลักธรรมะคำสอกษาคำรู้ทเจ้าทุกบททุกบทเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาอสวะกองทุกทั้งมวล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 หลุพ้นจากทุกไปเป็นชั้นชันไม่ควรถือว่าเป็นอุปสรรคและไม่ควรจะถือเป็นคออิจนาละอาใจโลกทุกย่อมย่ามีความทุกขเหมือนกันไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่แขวบปัญญาและคนฉลาดเพราะอยู่ในโลกที่สร้างอยู่สร้างกินไม่หาไม่ได้ธาตุขันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องบ่งบังคับให้ต้อง ส, ะสาะแสวงหาไม่เช่นนั้น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 เพราะว่าธรรมะคำสั่งสอนหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากท่านอย่าให้คลากจากตัวเองอย่าให้หลุดลอยไปเสียเปล่าๆให้ฝังในจิตในใจอย่างลึกซึง้งแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตนโดยลำดับๆนั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาโดยแท้ไม่เป็นแต่เพียงว่ารูปๆคำค ำ, คำไปที่ไหนหาหลักหาแหล่งหากฎเกณฑ์ไม่ได้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 ไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้โปรให้มองดูที่นี่นี่แหละพระอัศจรรย์ก็คือพระองค์นี้พระที่เวลวร้ายที่สุดก็คือพระองค์นี้พระกอบความกังวลแก่ตนและบ้านเรือนก็บ้านเมืองและโลกทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ผู้จะให้ความล่มเย็นเป็นสู่แก่บ้านแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นล่มโพล่มใจให้อุบายต่างๆแก่เขาและรับความร้อนเข้ามาศึกษาปรัรัก็คือพระองค์นี้ โปรดให้สร้างพระองค์นี้ให้สมบูรณ์ถ้าพระองค์นี้ได้บกพร่องหรือพระองค์นี้ได้เลวทามไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเวลวร้ายิ่งกว่าพระขอให้ท่านทั้งหลายได้สนใจดูพระองตัวเองว่ามีบกพร่องที่จุดไหนบ้างโตทําความเข้าใจและปรับปรบปุงแก้ไขให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาไปที่ไหนก็จะเป็นพระที่ดีมีความเจริญตัวเองก็มีความก็ะยิมอุ่นอกอุ่นใจว่าพระองตนได้รับการบำรุงด้วยดี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 หาที่ตรงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกพระอเวจีตัวแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นพระที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเหล่านี้การแสดงธรรมมาก็เห็นมาสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปพิพจารณาหากว่ามีการขาดตกบกพร่องลุบอประการใดๆก็ดีหวังว่าได้รับอภัยจากบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายมีท่านครูาอาจารย์ ผู้ที่เคารพเรื่อนสายเป็นตนจึงของยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้